ในมาขึ้นหาระที่หกเนาะจะตุปปยุหาหาระซึ่งก็ผ่านมาหลายครั้งแหละในจะตุปปยุหาหาระนนะที่กล่าวถึงวิธีพิจารณาสี่ประการมีนิรุตอธิบายเหตุและก็ความสัมพันธ์บทหน้าบทหลังเกี่ยวกับเรื่องนิรุตนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ในด้านภาษาบาลีมาดี ก็คงจะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์ของของการใช้คำมากขึ้นแล้วก็ของเราทั้งหลายโดยมากก็มีความรู้ภาษาไทยดีอยู่แล้วนั้นก็พื้นฐานภาษาไทยก็คงพอได้ทีนี้ส่วนคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนก็มีความประสงค์ความประสงค์นี้คำว่าอธิบายเนี่ยนะอธิบายว่าก็คือเท่ากับประสงค์ว่าอันเดียวกันนะบางทีเราใช้คำว่าอธิบายจนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยก็มี อธิบายว่ายังไงคําว่าอธิบายนี้แปลว่าความประสงค์อธิบายเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยภาษาไทยเนี่ยก็ความประสงค์ทีนี้ความประสงค์จะต้องแปลอีกครั้งหรือเปล่าไม่ต้องแล้วเนาะท่านก็พระธรรมแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็มีความประสงค์ว่าโดยรวมๆเนี่ยที่พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ประสงค์อะไร ประ송ว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระองค์แสดงเขาจาักปฏิบัติตามเมื่อเขาปฏิบัติตามแล้วเขาจาักพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะมันพระธรรมทั้งหมดที่พระพระองค์แสดงก็เพื่อความออกจากวัตทุกเนี่ยนะถ้าใช้คําว่าพระธรรมที่พระองค์แสดงเป็นธรรมที่นําออกจากวัตทุกขเนี่ยใช้คําว่านําออกนะอันนี้นึกถึงอะไรนิยานิกรธรรม ถ้าเป็นนิยานิกระทัมก็มุ่งไปที่อริยมรักษ์นะนะอริยมรักนี่เป็นเป็นธรรมเครื่องนำออกจากทุกอริยมรักนี่คือความประชมแห่งอะไรประชมแห่งเสขาสามใช่ไม้มเสขาสามเนี่ยประชมการเรียกอริยมรักในกุศลธรรมเบื้องต้นเนี่ยเสขาสามยังไม่ประชมุมในเบื้องแรกเบื้องต้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอธิศีและเสขาก็ขณะหนึ่งใช่ไหม อธิจิตตสิกษาก็ขณะหนึ่งอธิปัญญาศิกษาก็ขณะหนึ่งคนละขณะคนละขณะไปแต่ในขณะอริยมัชศิกษสาสาประชุมกันทีนี้ในแต่ละมัชอย่าลืมว่าโซดาปฏิมัช ก, กับสกะธาคามิมัชอธิศีลสิกษาบริบูรณ์อธิจิตตศึกษาอธิปัญญาศิกษาพอประมาณอนาคามิมัชอธิศีลสิกษาอ ธ, อธิจิตตศิกขาบริบูรณ์ อาทิปัญญาศิกษาพอประมาณอารหัตตมรคนั้นศิกษาสามบริบูรณ์ทีนี้ศึกษาสามเหล่านี้เนี่ยอยู่ๆเข้าบริบูรณ์ขึ้นมาเองเลยหรือศึกษาสามเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นผลของการประชุมของกุศลธรรมแล้วกุศลธรรมทั้งมวลเนี่ยมาประชุมกันจึงเกิดการตรัสรู้ธรรมทีนี้ที่การตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นจะมีได้ก็อาศัย ปริยัติธรรมเนี่ยนะคำสอนปริยัตเนี่ยเป็นเครื่องบอกสิกขาสถ้าใครไม่ชอบปริยัติธรรมก็เท่ากับไม่ชอบอคำแนะแนวว่าด้วยการเจริญสิกขาสาซึ่งสิกขา3เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ชอบปริยัติก็เท่ากับไม่ชอบคําสอนที่ชี้แจงเรื่องสิกขาก็แสดงว่าไม่ยินดีในการเจริญสิกขาอย่างในยุคนี้ก็มีผู้ที่เรียกว่าชอบปฏิบัต แต่ว่าปฏิบัติอันนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าปฏิบัตินั้นสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยของใครอันนี้คือคือที่เราไม่ควรลืมถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์แสดงไว้อย่างไรอันนี้แหละที่ที่จะต้องให้ตรงพุทธประสงค์ใช่ไหมพระองค์แสดงไว้อย่างไรเพระเราทั้งหลายหลายท่านอย่างเขาบอกว่าเขาก็มีศีลเขาก็มีสมาธิเขาก็มีปัญญาแต่ศีลสมาธิปัญญามันของเขาหรือของ พระพุทธเจ้าถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าในที่สุดนำออกจากวัตตะแต่ถ้าเป็นของบุคคลทั่วๆไปไม่แน่ถามเขาว่าเขามีศีลไหมเขาบอกมีมีปัญญาไหมมีพ้นอบายหรื อ, อยังคันนี้ชัดยุ่งเลยนะเพราะศีลสมาธิปัญญาอ น, นันไม่ใช่ตามแนวของพระพุทธเจ้าถ้าตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่านาออกจากทุกข์ได้จริง การศึกษาพระธรรมนี่ก็พยายามจับไปที่ความประสงค์ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ประสงค์อะไรถ้าเราจับวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าได้อัจจฉริสัทธาของเราดูท้าจะใกล้เคียงขึ้นมาว่าเออมั่นคงจริงๆคือในบรรดาผู้ที่หวังดีต่อศาสนษษาทั้งหลายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่หวังดีนะหวังดีเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายถ้าว่าหวังดีต่อลูกหลาน ความหวังดีของพ่อแม่บางครั้งยังเจือด้วยโลภะบางครั้งก็สลับด้วยโทสะแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะในโลกนี้เขาเรียกว่าคนที่หวังดีต่อลูกหลานก็คือพ่อแม่แต่ว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าพ่อแม่เป็นพันเท่าล้านเท่าแสนเท่าหรือหาประมาณนี้ได้พ่อแม่ทั้งหลายอย่างมากก็แนะนําประโยชน์ในโลกนี้พ่อแม่บางคนมีคุณธรรมก็ชี้นําประโยชน์โลกหน้าแต่พ่อแม่ที่จะชี้นําให้ถึงประโยชน์ที่สุด หายากนักแต่ก็พอมีเช่นเจ้าชายสิทธะพ่อของพระราหุล น, นี่ก็แนะนำลูกให้ได้ประโยชน์สามเลยใช่ไหมได้ไหมได้ก็มีพ่ออย่างนั้นที่ที่มีอยู่แต่ว่าไม่มากนักในโลกนี้มีแต่พ่อแม่ที่พอลูกศึกษาธรรมะอนุโมทนาหแม่อนุโมท น, <c oughs> น, นาเลยเนาะทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะ เราจะได้ประโยชน์โลกนี้เราจะสแสวงหาประโยชน์โลกหน้าจะหาประโยชน์อย่างยิ่งน่าจะอนุโมทนาต่อไปใช่ไหยกลับไม่อนุโมทนาเลยบางคนนี่ขวางอีกตทา ง, งฟังไปทําอะไรธรรมะกำลังนั้นฟังแล้วมันดียังไงนี่นี่คือพ่อแม่เพราะนั้นพ่อแม่บางคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าพ่อแม่ของเราก็คือเท่ากับพ่อแม่นะเราจะไปคิดเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพ่อแม่คือผู้ให้กําเนิดผู้เลี้ยงดูเป็นต้นนะ คุเหล่านั้นก็มีอยู่เราก็ไม่ลบหลู่คุณแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านกินตําแหน่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์จริงๆแต่ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าเราจับวัตถุประสงค์ของพระองค์ได้ศรัทธาที่มีในพระองค์ก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธาในคําสอนที่พระองค์สอนก็มั่นคงไม่หวั่นไหวถ้าอริยะทั้งหลายสมัยพุทธกาลเนี่ย ถ้ามีข้อข้อสนทนากันขึ้นมาเนี่ยเขาจะพูดว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างใดสิ่งนั้นเป็นเช่นนั้นเธอคื อ, คอมั่นคงมากถ้าอัตถกถาท่านบอกว่าเอออยู่กับตะช่างแล้วทาไมเอามือกะกันอยู่กับตะช่างใหญ่ทําไมยึงเอามือกะหรือแม้กระทั่งบุคคลจะเอาปัญหาไปถามพระพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหรันต์จะบอกทําไมท่านไม่ละเลยไม้แก่นทําไมมาหาที่กิ่งใบ ต้องการแก่นแต่ละเลยไม้แก่นไม้หาที่กิ่งที่ใบยอย่างเงี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเชื่อมั่นในพระพุทธพจน์เพราะว่าคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นสาวกพระพุทธเจ้ายังห้ามใช่ไหมมีไหมย่าเลยสารีบุตรอย่างงี้มีไหมมีอย่าเลยอานน์ขนาดผ้าระรยะเบื้องอทั่วทั่ ว, ว, วไปเนี่ยพระองค์ยังห้ามกันพระองค์นี้เป็นที่เรียกว่าเป็ น, ปนตาช่างของโลกจริงๆ ทั้งๆ ท, ที่พระอาหารหันตเหล่านั้นเนี่ยก็ดีไม่มีข้อเสียหายแต่ว่าพระอาหารหันตทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกโดยประการทั้งปวงซึ่งจะต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในขณะเดียวกันเราก็นับถือผู้ที่ปฏิบัติตามบรรลุธรรมเป็นอริยาสาวกทั้งหลายเราก็นับถือท่านในฐานะผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติธรรมเครื่องนาออกจาก จากทุกคู่ดำรงอยู่ในอริยคุณตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยนะวิธีศึกษาปไตยปิดที่ควรกําหนดจดจําว่าทุกสูตทุกสูตรที่พระองค์แสดงมีผู้ตรัสรู้อยู่นะเนี่ยนะต้องต้องไม่ลืมว่าทุกสู่ทุกสูตรที่พระองค์แสดงมีผู้บรรลุอยู่นะอย่างหลายท่านในนี้ก็สาธยายอธิตตปริ ย, ยสูตรได้ไม่ลืมว่าสูตรนี้บรรลุพันหนึ่งเนี่ยนะพันหนึ่งนะ บางท่านจำอนัตตลักษณะสูตรได้อนัตตลักษณะสูตรบรรลุเท่าไร่อย่างน้อยห้าธรรมจักกับปวัตตนสูตรบรรลุเท่าไหร่เท่าไหร่สิบแปดโกดหนึ่งสิบแปดโกดกับอีกหนึ่งอย่างงี้เลยเนี่ยนะแล้วสูตรอื่นๆอีกบรรลุเท่าไหร่เนี่ยนะก็แต่ละสูตรอย่างมงคลสูตรนะมงคลสูตรบรรลุเท่าไหร่บักบรรลุหาประมาณไม่ได้ อย ล, ลาราหูโลวาทสูตรนี้ก็บรรลุหาประมาณไม่ได้เพราะะฉนั้นพระสูตรที่เราสูตรต้องไม่ลืมมาสูตรเหล่านั้นเหล่านั้นเข้าตรัสรู้ทำกันนะท่านก็แสดงว่าสูตรเหล่านั้นถ้าเพ่งให้เห็นอัดเห็นธรรมรู้สิ่งที่พระองค์ประสงค์พ้นทุกแน่แล้วก็คําสอนทุกคาสอนนี้ก็มีเหตุใช่ไหมถ้าเหตุนี้ทั้งกล่าวว่าเหตุภายในกับเหตุภายนอกเหตุภายในทําไมพระองค์แสดงธรรม กรุณานีนะกรุณาถ้าเหตุภายนอกอ่ะก็เหตุก็อัธยาสัา ย, าายาของเขาอ่ะน ะ, ะเป็นเป็นเครื่องให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นถ้าธรรม ท, ที่ที่พระองค์แสดงก็อาศัยทั้งเหตุภายในกับเหตุภายนอกและแสดงธรรมการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าก็แสดงเป็นเหตุและเป็นผลพระาศาสนานี้แสดงเหตุกับแสดงผลถ้าจะดับก็ดับเหตุเนี่ยนะนี่คือลักษณะย่อๆเลยนะพระศาสนาคือแสดงเหตุกับผล เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับแต่นะั้นนี่คือลักษณะรวมๆคําสอนนะั้นมีอยู่เท่านี้หรือประมวลอีกคําหนึ่งนะที่ชอบคําหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็แสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นะนะก็พระองค์แสดงแต่ทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าเราสังเกตวัตถุประสงค์อันนี้ว่า เราศึกษาคําสอนเราจะได้ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระองค์ <_ d ata> ก็พระองค์แสดงให้เห็นพรุ่กับชี้แจงข้อปฏิบัติว่าทํำยังไงจะดับทุกได้ต้นเหตุของการแสดงทั้งหมดก็แสดงเพื่อดับทุกเนี่ยทีนี้ต้นเหตุแห่งทุกมีอะไรบ้างเหตุแห่งทุกเนี่ยอุปธิเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกใช่ไหมอุปธิภายนอกนะเช่นพวกทรัพย์เป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข ทรัพนั้นถ้าไม่คิดจะบวชนะพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้ให้ไปเอาไปทิ้งเอาไปคว้างอะไรแต่ให้รู้ว่าทรัพทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งแห่งทุกข์ก็เรียกว่าต้องใช้ให้เป็นใช่ไหมก็เปรียบเหมือนอย่างว่าไฟที่เราไฟฟ้าเนี่ยเราใช้ยังไงโดยที่ไม่ไม่เดือดไม่นํามาซึ่งความเสียหายเดือดร้อนใช่ไหมเราใช้เป็นใช่ไหม ฉัน้นใดก็ดีทรับทั้งหลายถ้าเราใช้เป็นก็มีประโยชน์ประดุดเครื่องอ่าพวกไฟฟ้าทั้งหลายแต่ถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยไฟฟ้าถูกช่อ ต, ตายมีไหมคนถูกไฟฟ้าช่อ ต, ตายก็ไม่ใช่น้อยทรับทั้งหลายก็ให้เห็นเป็นอย่างนั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษมันก็หาอ่าให้รู้ทั้งคุณและรู้ทั้งโทษประโยชน์ก็มีอยู่เนี่ยนะเพราะว่าบุคคลทั้งหลายถ้าไม่ให้ทานเนี่ยที่จะพ้นทุกข์ไม่มีหรอกถ้าไม่ให้ทานไว้เลยนะ ถ้าไม่ไม่ไม่ได้ทำบุญให้ทานไว้เลยเนี่ยแม้แต่เวลาฟังธรรมยังไม่มีจะกล่าวปลายไยถึงระดับสูงค่าเดินทางมาฟังธรรมก็ยังไม่มีท้องไส้นี่แห้งเกี่ยวจนจริงๆแล้วฟังธรรมบรรลุนะั้นมีอยู่คนเดียวใครรู้หัหยสุ ป, ปะพุทธกุธิเนี่ยนะเหมือนกับฟลุกพอดีเลยนะเหมือนกับจะไปขอทานนะ่ะเออเขาแรงธรรมกันเอฟังสัหน่อยบรรลุเลย ก็มีอยู่คนเดียวนะที่เหลือยังไม่พบเลยที่เหลือก็มีแต่หอบข้าวหอบของสเสบียงติดตามฟังธรรมก็มีแต่ลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่นะถ้าไม่มีบุญเก่าเลยเนี่ยหนักลำบากมากในด้านปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ในนิติการเนี่ยในนิติการสูตรเนี่ยก็กล่าวถึงว่าการให้ทานการบริจาคทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งกุศลธรรมอย่างอื่นอีกมากแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ที่ได้ตรัสรู้นะหนึ่งในส0ก็คือทานเนี่ยนะทานมก็ทานก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่าวัตถุนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นอย่างมากวัตถุนั้นถ้าไม่ใช้ให้ถูกต้องตามตามสิ่งที่ควรจะใช้เรียกว่าไปปฏิบัติผิดก็คนมีโคก็โศกพระโคนี่แหละคนมีบุตรก็ทุกข์พระบุตรคนมีทรัพย์ก็ทุกข์พระทรัพย์ ทีนไอ้คนยากจนซัพย์ก็ทุกข์เพราะซัพย์อีกเหมือนกันเพราะไม่มีทรัพย์จะใช้แต่คนที่ไม่มีทรัพย์ไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้หมายถึงคนไม่มีฉันทราคะในทรัพย์ไม่ใช่แปลว่ายากจนทรับนะต้องต้องฟังให้ดีคนผู้ใดไม่มีทรัพย์ผู้นั้นไม่เศร้าโศกแปลว่าผู้ที่ไม่มีฉันทราคะในทรัพบเนี่ยเขาไม่เศร้าโศกแต่ไม่ใช่ยากจนค้นแค้นในเรื่องทรัพย์นะไม่ได้แปลอย่างนั้น ท่านก็มียังไงโดยที่ไม่ไม่เศร้าโศกทําไงดีก็ไปท่องฐานสูตรไว้ว่าเออเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะเนี่ยนะมีบุตรจะได้ไม่โศกเพราะบุตรมีทรัพย์จะได้ไม่โศกเพราะทรัพย์เนี่ยนะวัตถุภายนอกก็เป็นอุปธิใช่ไหมอันนี้ต้นเหตุแห่งทุกภายนอกนะถ้าภายในต้นเหตุแห่งทุกภายในก็สริระร่างกายนี่แหละเป็นเหตุแห่งแห่งทุกเนี่ยนะเป็นนิทานภายในเรียกว่า เป็นต้นเหตุภายในอุปธิภายในนี่เป็นทุกข์ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่หวงแหนในอุปธิภายในแล้วนะเพราะต้นเหตุแห่งทุกข์ก็คือร่างกายในภายในเราสังเกตดูนะคนที่เริ่มป่วยเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าสุขภาพจิตนี่เสียไปเยอะใช่ไหมพอเริ่มป่วยนิดๆหน่อยๆเป็นหวัดเข้าอะไรเข้าเนี่ยกำลังใจมันลดลงไปไปมากเลยนะวิริยินทร์ซีเนี่ยหมดอ่อนแรงเลยวิริยินทร์ซีเนี่ยอ่อนกําลังลงเยอะเพราะอะไรเพราะว่า ทุกขากายยะวิญญาณร่างกายในตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะถ้าแต่ละแห่งมันมีปัญหาเน้นำมาซึ่งความทุกโธมนัดเป็นอย่างมากเนยเนะเพราะนั้นกายทั้งหลายพระองค์ปรัสว่าเป็นของร้นเนี่ยไม่ผิดรอกอ น, นะถ้ามันดีบริบูรณ์ราคะก็เผาถ้ามันเสียหายโทศาก็เผาแล้วก็ไม่เคยเอามาพิจารณาอีกจึงเป็นที่ตั้งแห่งโมหะตัวกายทั้งหลายในที่สุดก็ ชาติชรามมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายอดอันที่จริงเราทั้งหลายนี่ก็น่าจะเห็นที่เจริญมรณาุสติกันเยอะนะในกรุงเทพเขามีปล่องเยอะก็ไปดูเอาอ น, นะก็เอาไว้เจริญว่าสักวันหนึ่งวาระของเราก็จะเข้ามาถึง น, นะเพราะทุกคนก็คือนักโทษประหารในะใครรู้ไหมว่าตัวเองจะถูกประหารที่ไหนไม่รู้นะไม่รู้ ถูกประหารบนบ้านบนที่นอนบนเตียงหรือห้องน้ําเขาบอกว่าเดนประหารดีๆเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมีมากะนะถูกเขี้ยนถูกตีถูกโวยก็ที่ห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่น้อยอะนะแขนหักขาหักที่การทั้งหลายกระดูกหักโดยเฉพาะเอ่อยมผู้หญิงที่อายุมากเลยนะกระดูกมันจะบางแล้วก็ห้องน้ํามันจะเลื่อนก็นั่นแหละแดนประหารดีๆใครจะรู้บางคนเนี่ยเดนประหารอยู่หน้าจอทีวีนะ แล้วก็ทุกแห่งก็เป็นแดนประหารเนี่ยบนรถก็มีใช่น้อยใช่ั้มประเทศที่อุบัติเหตุตายพอๆกับสงครามคือประเทศไทยเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นก็เดินทางแต่ละครั้งหนึ่งก็ให้รู้ว่าไม่ต่างจากเข้าสงครามนะอันตรายมีรอบด้านสงครามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเหตุให้เห็นบ่อยๆนะแต่ว่าไอ้รถเป็นต้นเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถเนี่ยมีมากเนี่ยนะมีมากที่คมนตเนขามานี่กลัวเหมือนกัน มโหเบึ้งมาจราจรก็มาค่อยดีนะรถเต็มไปหมดเลยนะเราก็เสียวมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ควบกันมาภาษาแคมรถ้าแปลมาเป็นภาษาไทยก็กมันตํากันบ่อยมากเลยเพราะงั้นมันชนกันนะนีก็อุปธิภายในเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกใช่ไหมมันเป็นต้นเหตุแห่งแห่งทุกจริงจริงในร่างกายเนี่ยก็เราทั้งหลายไปที่ไหนเนี่ยเราจะต้องคิดห่วงแขนดูแลร่างกายมากเลยนะ เขาจะไปอยู่ยังไงจะไปกินที่ไหนกินเมื่ อ, อไหร่กินอะไรแต่ละมื้อเนี่ยต้องกินอะไรช่วงเช้ากินอะไรช่วงบ่ายกินอะไรเย็นกินอะไรแล้วให้เขานอนยังไงหาอะไรมาให้เขาอบอุ่นทําอะไรยังไงโอ้ดูแลเขาเยี่ยมเลยจริงๆเลยนะเนีเป็นเป็นธาตุของกายจริงๆเลยนะรับใช้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ห้ามต่อรองก็บอกหิวก็ต้องกินอ่ะก็ต้องไปกินให้ไม่ไม่ไมต่อรองนะเชื่อเขาหมดเลยว่านอนสอนง่ายยอมเขาหมดเลย อุปทิภายในคือร่างกายเนี่ยมันเป็นต้นเหตุแห่งแห่งทุกทุกจริงๆเนี่ยแต่ถ้าผู้ที่ตัดชันธราคาในกายได้หละเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสํานวนว่าถ้าเขายิงลูกศรมาเนี่ยไม่มีหลบเออมันจะเป็นมันจะตายก็เป็นตายไปก็ช่างมันก็นมหาพูดก็คือมหาพูดอันนี้เราต้องคิดนะว่าเป็น้าตุหันเนี่ยนะเขาคิดอย่างนี้ เดียวไม่ใช่ว่าแตแน่จริงแล้วก็เลยออกวิ่งไปให้รถชนตายสทัทีดูเธเออท่านตัดได้แล้วนะนะไม่ใช่อันนั้นอาจจะตายฟรีนะเพราะว่าคําว่าอย่างพระพุทธเจ้าไม่ป้องกันไม่ป้องกัน ร, ร่างกายอะไรเนี่ยหมายถึงว่าท่านตัดฉันทราคาในร่างกายเสร็จแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าตัดฉันทราคาในกายเสร็จแล้วเพราะบางคนเนี่ยเบื่อนายร่างกายมากเลยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัด เอาอริยมรรคเป็นเครื่องวัดถ้าอริยมรรคไม่เกิดอยากคิดว่าไม่ข้่องในกายเนี่ยนะเพียงแต่ว่าไม่ประสบสุภาพนิมิตเท่านั้นเองอย่างคนที่อริยมรรคไม่เกิดเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าเขาไม่โกรธแต่เขายังไม่ได้ปฏิฆานิมิตเขาจึงยังไม่โกรธเหมือนร่างกายของเราทั้งหลายเนี่ยถามว่าเราจะมีแผลหรือไม่มีแต่ตอนนี้นะถามว่าจักมีแผลหรือไม่ ไม่แน่ใช่ไหมถ้าประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะเกิดอยู่างว่างมีดในครัวตกลงมาใส่อย่างเงี้ยนะก็พร้อมที่จะเลือดอาบได้เลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆว่าตายนี้มันเป็นเช่นนี้ถ้าสำคัญที่สุดนะการทําปริญญาจนกว่าจะตัดฉันราคาในกายได้ส่วนเครื่องผูกเนี่ยนะที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกเนี่ยนะเครื่องผูกภายนอกไม่เท่าไรหรอก น, นะเครื่องผูกภายนอกคือเนี่ยเครื่องผูกคือ ที่ทำด้วยเหล็กด้วยไม้ด้วยยาปล่องเป็นต้นเนี่ยเครื่องผูกเหล่านั้นไม่เท่าไราแต่เครื่องผูกที่มันผูกแน่นมากหนักมากยิ่งมากก็คือบุตรภรยาต่างหูแก้วมณีเป็นต้นเนี่ยนะต่างหูเนี่ยนะคิดดูเอ๊ชอบจริงหรือเปล่านะก็ลองวันไหนหาไม่เจอดูนะวันนั้นออกงานได้หรือเปล่าไม่ทราบนั่นะนะ <c oughs> ลืมเครื่องประดับ น, นะ แต่ดงว่าผู้การนี้ก็เกี่ยวข้องบ่อยนะก็มีอย่างาผู้จาริกไปที่อินเดียก็เหมือนกันนะไปสแสวงบุญเนี่ยก็เข้าห้องนอนโรงแรมก็ลืมข้าวของไว้ในโรงแรมนะนาฬิกาบ้างอะไรบ้างพวกของมีค่าทั้งหลายเนี่ยนะพาคนอื่นก็เดือดร้อนหมดนะพาคนอื่นก็เดือดร้อนหมดลนะ แล้วก็พวกทรั์สินทั้งหลายเนี่ยก็มันเป็นที่ตั้งแห่งอุปธิจริงๆมันมันมันมัดแน่นมากแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีเชือกอยู่หรอกสมมติถ้าใครที่มีข้าวของที่มีค่านะที่เรียกว่าของนั้นเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเขาเนี่ยนะใจของเขาที่ไปผูกมัดเนี่ยมันมากกว่าโซ่อีกเพราะห่างจากสิ่งนั้นทำใจยากเหลือเกินเหมือนกับอะไรนะกระเป๋าสตางค์อย่างเงี้ยโอ้โหมัน ถ้ายิ่งแบบเพิ่งไปถอนมาด้วยอะไรมาด้วยแล้วก็มีธุระด้วยแล้วของฝากมาด้วยอย่างเงี้ยนะโอ้ยมันโซ่ใหญ่มากเลยนะมันมัดอ่ะมันก็บอกว่าไอ้คุกตารางเนี่ยมันโซมันไม่ค่อยใหญ่หรอกอนะโซ่ตรวนในคุกในตารางที่เขาจับกุญแจมือทั้งหลายไม่หนักเท่านี้หรอกบทภริยาเครื่องประดับต่างหูแก้วมันีทั้งหลายเนี่ยเพชรพลอยเนี่ยพวกนี้เป็นเครื่องผูกที่แก้ยากจริงๆ แล้วก็เครื่องผูกข้างนอกสัตว์ทั้งหลายประสงค์จะหลุดใช่ไหมทำยังไงจะหลุดได้แต่อันนี้ทํายังไงจะได้มัดได้เยอะๆมัดได้มากๆมัดได้แน่นๆเนี่ยนะ ก, ก็มีแต่คิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเครื่องผูกอันนี้จึงเป็นเครื่องผูกที่เหมือนกับผูกถาวรถูกผูกมาทุกพบทุกชาติเลยตอนพระองค์ตรัสว่าผู้ที่เครื่องผูกที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จริงๆเนี่ยตัณหาเนี่ยเครื่องผูกกรนะดาสายโซ่ คล้องจิตนะนนะโซ่คล้องจิตก็คือปัญหาบาปอากุศลเนี่ยนะเป็นสายโซ่ที่คล้องจิต ท, ที่เรียกว่าไกลขนาดไหนมันก็กระตุกกลับได้เพราะงั้นนะมั่นคงมากก็บางคนเนี่ยถูกเครื่องผูกล่ามาถึงอเมริกาไงก็ต้องไปเชือกมันดึงยง น, นโยมที่เชียงใหม่ก็ถูกเครื่องผูกดึงมาถึงนนท บ, บุรี โยมแถวกรุงเทพก็ถูกดึงมาถึงเชียงใหม่อย่างไงนะก็เพราะโซ่บรรเลงดึงกระชุดได้หมดแต่ว่าพระอาหารทั้งหลายท่านก็ตัดฉันนราคะในบุตรและภริยาได้เรียบร้อยแล้วนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระสังขามาชิท่านก็ออกบวชตอนที่ลูกของท่านยังอยู่ในคันเนี่ยนะั่นก็ออกบวชแล้วก็เป็นพระอาหัรตอนหลังก็กลับมามาเยี่ยมแถวแถวบ้านเนี่ย ภรยาของท่านก็พาลูกมาด้วยพร้อมทั้งบริวารเยอะเนี่ยนะบอกสมณะท่านศึกมาเลี้ยงฉันว่างั้นเนี่ยพร้อมทั้งลูกท่านด้วยท่านก็นั่งนิ่งสัมรวมอยู่เอ้คุยยังไงก็ท่านก็เงียบหมดเลยก็บอกนี่ลูกท่านก็เลยเอาลูกไปวางไว้ใกล้ๆท่านท่านก็นั่งเขาก็แอบไปดูไอ้พระรูปนี้จะทํำยังไงกับลูกท่านก็นั่งเฉยของท่านน่ะเนีย เดินกรรมฐานของท่านไปอะไรไปเสร็จแล้วก็ก็ไปเอาลูกมาสงสารลูกก็เลยเอากลับไปพระองค์เห็นเหตุอันนั้นพระองค์ก็เปล่งอุทานเนี่ยนะคือพระสังขารมาชีเนี่ยท่านคิดว่าตอนที่แม่บ้านของท่านอุ้มลูกมานะกลับตอนที่แม่บ้านอุ้มลูกกลับไปเนี่ยจิตของท่านเหมือนเดิมปกติ <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรเนี่ยนะตัดฉันทราคะได้ขนาดนั้นพระอาหารทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้น ก็คิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะมีความสุขบานใดแต่คนที่ตันหาเหนียวแน่นฟังแล้วทําใจไม่ได้คนอะไรใจดําจังนะใครดํากันแน่ <c oughs> ของคนที่คิดไม่ดีนะั่นแหละใจมันขุนนะนะใจมันโทสะดํามากแต่ผ้าหันทั้งหลายท่านจะไปทําอะไรเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรเป็นของไม่ที่ยงังเป็นต้นเนี่ยนะซึ่ง อนุปัสนาของผ้าอาหารทั้งหลายเนี่ยมีกําลังมากในทุกสังขารอย่าว่าสังขารอันเป็นของมนุษย์เลยแม้แต่สังขารอันเป็นของทิพก็ยังผูกมัดจิตของท่านไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านตั้งใจเจริญกุศลธรรมจนตัดไอตัวผูกตัวมัดได้เรียบร้อยแล้วเพราะท่านถือว่าตัวที่เข้าไปผูกเข้าไปมัดเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกจริงจริงเนี่ยนะก็อย่างว่าผู้ใดผูกพันกับสิ่งใดเนี่ยนะ ไอความผูกพันที่ไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่มีรอกเนี่ยนะนะก็ทีนี้ความผูกพันเนี่ยบางอย่างก็ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมะนะบางอย่างให้ผลเป็นอุปชาบางอย่างให้ผลเป็นอภราปริยะทีนี้ความผูกพันคือตัณหาเนี่ยตอนนี้อาจจะกุศลแลจิตเกิดแต่อย่าคิดนะว่าตัณหามันจะไม่มีผลต่อไปนะนะส่วนต้นเหตุที่จะทําให้พ้นทุกข์จริงๆเนี่ยคืออะไร ในหน้า47ที่กล่าวว่าตัดตัณหาคือตัดตัณหาตัดฉันธราคะตัดความรักในตนเสถียร์ตัดความรักในตนเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนถอนดอกบัวใครที่เคยถอนบัวเนี่ยของเราเหมือนถอนอะไรถอนอะไรเคยใครเคยถอนอะไรดีมั่งนึกออกง่ายๆเหมือนถอนหญ้าเลยนะถอนอย่างนั้นอ่ะถอนหญ้าคาเนี่ยจับไม่ดีเนี่ยบาดมือหมด นี่ก็ต้องถอนอะไรที่มันมันน่าถอนอ่ะนะแต่ถ้าเป็นโบราณเลยเขาเป็นคนเก็บดอกบัวเองเลยนะเขถอนบัวก็ดึงกระชากออกมาก็ตัดฉันทราฆาในกายอย่างนั้นนั่นแหละทํายังไงจะตัดฉันทราฆาในกายพอกพูนเหตุคือมัจทางแห่งพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนี้พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วแล้วก็พยายามเจริญกุโสธรรมเพื่อเพื่อนําออกจากทุกข แต่ผู้ที่จะเจริญกุศลธรรมได้ก็ต้องตัดฉันทราค่าในร่างกายวิธีการพิจารณาเพื่อตัดฉันทราค่าในกายนะท่านสุเมธบัณฑิตนี่มีวิธีการคิดที่ฉลาดมากท่านสุเมธบัณฑิตนะในพุทธวงศ์อ่ะในพุทธวงศ์ที่ท่านสุเมธบัณฑิตพิจารณาถึงร่างกายอันนี้ว่าร่างกายนี้มันเป็นยังไงท่านเปรียบประดุดร่างกายเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนเรือรั่วเป็นต้นเนี่ยนะ ก็เราก็ถ้าไปอ่านสูตรนั้นก็ทําให้น้อมที่จะน้อมไปเพื่อตัดฉันธราคะในกายเอางี้นะถ้าเราไม่น้อมไปเพื่อจะตัดขันทราคานะเราติดข้องในกายนี้มากจนตายเลยกับภาคเพียรปฏิบัติฉันทราคาในร่างกายจนตายเนี่ยผลมันต่างกันยังไงเอาเอาใครอธิบายให้ฟังทีมันต่างกันยังไงถ้าเพียรพิจารณากายจนตัดขันธราคะได้จากนี้ไปถึงวันตาย กับโบำรงเลี้ยงดูเอาใจกายทุกอย่างอะ น, นะดูแลให้ดีเยี่ยมเลยจนตายเนี่ยต่างกันยังไง ร, รักษาธนุถนอมห่วงแหนมากยุงมากก็ตกค่ายุงซะจะได้มันไม่ได้ไม่กวนกายนี่ดูแลอย่างเยี่ยมกับปฏิบัติกายเนี่ยอยู่ในศีลแล้วก็พิจารณาโดยอสุภะจนตัดฉันธราคาในกายได้เนี่ ย, ยมันต่างกันยังไงก็เลี้ยงดูมาดีขนาดนี้ใช่ไห ทั้งแต่งหน้าแต่งตัวอาบน้ำํำถาผ้าอย่างดีมาประดับตกแต่งเอาหมดเลยตายแล้วพร้อมที่จะมีจิตอา่ามีจิตของเราเนี่ยมีกายอันเนี้ยเป็นอารมณ์เอาไหมมีหน้าตัวเองเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณ์ในพบใหม่หน่าสนใจไหมใครใครเอามบ้างไม่เอานะเอาก็ดูแลอย่างดีเลยนะใครไม่มีใครเอาเลยเนอะลําบากใจมากเลยนะเพราะว่าถ้าเอานี่ไม่รู้ว่าเป็นนกกระยางหรือนกอะไรไม่ทราบนะก็แบบนางอนะไร นางสุชดาใช่ไหมก็มีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีกายเป็นอารมณ์ในที่สุดก็เป็นนกกยางเลยนะันก็กายที่เราดูแลถึงจะดูแลดีขนาดไหนเนี่ยนะบำรงติดข้องผูกพันรักใคร่มากไม่ใช่ว่าให้ดีเราให้ผลเป็นสุขในระยะยาวกลับตรงกันข้ามเลยนะมีแต่ซ้ำเติมขึ้นซ้ำเติมขึ้นมีแต่มีแต่ลงโทษมากยิ่งขึ้นนะยิ่งเอาใจเขาเท่าไหร่นะเขายิ่ง เป็นเอามากขึ้นเอามากขึ้นนะลูกลามใหญ่ยยโตขึ้นใหญ่ยยโตขึ้นอย่างเราทั้งหลายเลี้ยงดูร่างกายคิดหรือว่าจะงามขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ่าสวยขึ้นกว่าพรุ่งนี้ไหมสวยกว่าอา่าพรุ่งนี้จะต้องสวยกว่าวันนี้สิบปีข้างหน้าต้องสวยกว่าปีนี้ห้าสิบปีข้างหน้าเลยนะและไม่สวยและโทมมย่อมมากนะนะโทมเลยฝันถึงเอา อ, อกเอาใจดูแลดีขนาดไหนก็ไม่ได้ทําให้ดีขึ้นอะไรหรอก เพราะฉะนั้นก็ก่อนที่มันจะเสียหายดังกล่าวไปะนะก็เอาวัตถุเหล่านี้มาเป็นที่ตั้งแห่งการพิจารณาพิจารณาจนกว่าจะตัดชั้นธราคาในกายได้